พึงพากันตั้งใจสำรวมใจของตนให้แน่วแน่ใจจะแน่วแน่ได้ก็เพราะเรากำหนดเอาปัจจุบันนี้เป็นหลักมาคมว่าตั้งสติกำหนดรู้อยู่ในปัจจุบันนี้ มันเนรู้อะไรก็ให้รู้อยู่ในปัจจุบันนี้ฉันรู้ว่าตนนั่งอยู่อย่างไรก็รู้ตนหายใจเข้าหายใจออกอยู่ก็รู้เนี่ยที่ว่าเอาปัจจุบันเป็นหลัก ยานันให้พึงกระทำในใจของตนอย่างนี้มันจึงจะยับยั้งความคิดที่ส่งไปในอดีตอนาคตได้ปกติจิตใจของคนเรานี่มันย่อมมีความคิดนั่นแหละเป็นอาหาร มีความรู้นะนะั้นเป็นอาหารแมืคว่าเป็นเครื่องอยู่บัติพระพุทธเจ้าทรงแนะนำสั่งสอนให้พุทธบริษัทนั้นยับยั้งความคิดไว้เพราะว่าความคิดนี่มันมีทั้ง ดีมีทางชั่วผลเปกันมาเพราะฉะนั้นเพื่อจะได้คัดเลือกดังนั้นจึงต้องยุติความคิดไว้ก่อนให้เหลือแต่ความรู้กับสติตั้งอยู่ในปัจจุบันนี้ พยายามเนี่ยอย่างว่านี้นะเพราะว่าจิตนี่มันเคยคิดแล้วมันต้องคิดแต่ขั้นเมื่อเราน้อมสติเข้าไปให้ถึงจิตได้แล้วจิตนี้มันจึงจะหยุดคิดลงได้ที่จิตมันหยุดคิดลงไม่ได้ก็เพราะสติมันยังหยั่งเข้าไปไม่ถึงจิต มันยังไม่ยอมหยุดคิดลงดังนั้นอาณาปานสตินะีพระพุทธเจ้าจึงสอนให้ตั้งสติกำนดรู้ลมหายใจเข้าหายใจออกนี่ก็มันเป็นกรรมวิธีที่จะยับยั้งความคิดนั่นแหละถ้าไม่ ทำอย่างนี้นี่สติมันจะยังเข้าไปไม่ถึงจิตเลยมันจะระลึกไปทางอื่นโน่นออกนอกกายไปโน่นมันจึงหาความสงบไม่ได้เมื่อจิตไม่สงบแล้วมันก็ไม่รู้อะไรไม่รู้ความจริงของชีวิต ลอยไปตามกระแสของโลกเหมือนอย่างบุคคลผู้แวกไว้อยู่ในน้ำมหาสมุทรทะเลซึ่งกว้างใหญ่ไพศาลน่ะนะไม่ทราบว่าจะไปถึงฝั่งโน้นได้เมื่อไรอ่ะเข้าใจว่าไปไม่ถึงแน่ก็จมน้ำ ตายอยู่ในท้องมหาสมุทรทะเลนั่นเองทีนี้เทียบได้กับบุคคลผู้ที่ไม่ได้บำเพ็ญกุศลไม่มีคุณธรรมอันเป็นกุศลอยู่ในใจเหมือนอย่างบุคคลผู้ที่ไม่ได้นั่งอยู่ในเรือ ขี่ข้ามไปสู่ฝั่งโน้นเวกกว่ายไปลอยน้ำไปเฉยๆอย่างนี้มันก็หมดกำลังลงก็ไม่มีสิ่งที่จะช่วยกำลังอันนี้ฉันใดก็อย่างนั้นแหละคนเรล่านี้ถ้าไม่ได้บำเพ็ญบุญกุศลคุณงามความดีทางต่างๆด้วยทางกายก็ดีทางวาจาก็ดี ทางใจก็ดีไม่ได้บำเพ็ญกุศลความดีด้วยไตรทวารอย่างว่านี่แล้วมันจะทำให้จิตใจนี่หยุดคิดหยุดนึกลงจะให้มันอิ่มต่อโลกอันนี้นะมันยากเต็มทนนะ่ะมันจะต้องหิวอยู่อย่างนั้นไม่ใช่มันหิวอะไรนะหิวความสุข เพราะอะไรมันจึงไม่เป็นสุขเพราะมันไม่สงบนั่นแหละถ้าเมื่อใดบุคคลใดทําใจให้สงบลงไปได้แล้วก็มีความสุขเมื่อมีความสุขแล้วมันก็อิม่มก็ไม่อยากได้อะไรนี่แต่เป็นความสุขที่เกิดจากความสงบ ถ้าเป็นความสุขที่เกิดจากการหาเงินหาทองค้าขายมีกำไรดีอย่างนี้มันหายุติลงไม่ขากาไรที่ได้มานั้นยังไม่พอกับความอยากเมื่อได้กำไรมื่นหนึ่งแล้วก็อยากจะได้สองหมื่นต่อไปเรื่อยๆไปซึ่งไม่เหมือนอย่าง การบาเพ็ญบุญกุศลทางใจคือการมาทำใจให้สงบลงไปนี่เมื่อใจมันสงบลงได้แล้วมันอิ่มทุกสิ่งทุกอย่างไปเพราะว่าความสงบนั่นมันเป็นความสุขเป็นความพอเป็นอย่างนั้นฉะนั้นทุกคนผูบาเพ็ญทาง จ, จิตใจ ให้มุ่งต่อความสงบเป็นที่ตั้งก่อนอื่นทั้งหมดอย่าไปมุ่งอยากรู้โน้นรู้นี้ไปก่อนเพราะว่าจิตมันยังไม่สงบมันไม่มีทางหรอมันจะไปรู้ได้นะรู้อดีตรู้อนาคตต่างๆมูนี้ รู้ไม่ได้ถ้าจิตไม่สงบถ้าไม่ได้บรรลุฌานสมาบัติอย่างนี้นะคะก็รู้ไม่ได้ดังนั้นอย่าไปต้องการปรารถนาอยากจะรู้นนนรู้ น, นี้ให้มารู้กายกับจิตนี้ก่อนอื่นทั้งหมดเมื่อผู้ใด มาทำใจนี้ให้สงบลงไปแล้วมันมันก็ไม่มีความหมายอะไรหรอกการรู้นอนรู้นี้นะสู้ทำใจให้สงบไม่ได้ mm. เส้นอย่างวานิมิตต่างๆอย่างนี้นะบางคนภาวนาไปก็นึกก่า ตนไม่มีนิมิตอะไรบางเกิดขึ้นแต่คิดว่าตนภาวนาไม่เป็นพราได้ยินว่าผู้อื่นเล่าว่าภาวนาไปแล้วเห็นนู่นเห็นนี่เห็นผูดผีปีชาดบ้าง่หรือเห็นเท ว, เทวดาหรือว่าเห็นอะไรต่ออะไรสีสันวันนะ ต่างๆเห็นแสงหมู่นี้นะบางคนภาวนาเนั่นเห็นจริงแหละเพราะมันเป็นไปตามอุปนิสัยวาสนาของใครของมันไม่เหมือนกันหรอกบางคนภาวนาก็ไม่เห็นนิมิตภายนอกแต่มาเห็นนิมิตภายใน ถือว่าเห็นอวัยวะร่างกายน้อยใหญ่ต่างๆนี่นะอันนี้ก็เป็นอุขหะรหิมิตอันหนึ่งนะอนิมิตติดตานี่การมาเห็นนิมิตภายในนี่ดีกว่าเห็นนิมิตภายนอกอเพราะว่าจิตใจมันมาคล้องอยู่ที่ร่างกายนี่ มันสำคัญว่าร่างกายนี่สวยงาม เ, ออเป็นตัวเป็นตนเป็นของของตนเมื่อมาเพ่งดูเห็นอวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งหรือหลายส่วนเข้าไปแล้วมันจะได้เห็นว่าร่างกายนี่ไม่มีอะไรสวยงาม <c oughs> เพราะประกอบไปด้วยธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมแล้วก็ธาตุน้ำอย่างนี้นะมันก็มีลักษณะไม่น่ายินดีพอใจอะไร <c oughs> เส้นน้ำดีอย่างนี้น้ำเสเลดเนี่ย น้ำเสลที่ขากออกมาเนะ่ยน่ารักเมื่อไหร่แล้วนั่นแหละน้ำหนองเมื่อเกิดเป็นฝีผุพองน้ำหนองไหลออกมาอย่างนี้นะน่าชื่นชอบหรื อ, อ น, <c oughs> น้ำเลือดหมูเนี่ยเามีดถูกหรือว่าไม่ทัก ตาเอาทิมเอาเลือดไหลออกมาถ้าทิ้งไว้หน่อยหนึ่งก็กลิ่นคาวเกิดขึ้นแล้วเลือดก็ไม่น่าขอใจไม่น่ารักใครอะไรเลยน้ำเงือ่หมุนนี่เงือใครไหลออกมาจากขุมขนหมุนนี่หน่อยหนึ่งก็สรงกลิ่นเหม็นไปแล้ว น้ำมันข้นน้ำตาเปลวมันน้ำลายน้ำมูกมุนี่ลองเพ่งดูสิอะไรเราเป็นของสะอาดไขข้อก็ดีน้ำมูดก็ดีมุนี่น้ำมูดนี่ถ้าทิ้งไว้นานสักหน่อยก็ส่งกลิ่นเหม็นแล้ว ก็ต้องเพ่งดูให้มันรู้ความจริงของรูปต่างๆหมดนี่แหละมันจึงจะคลายความยินดีพอใจมันจึงจะคลายความหลงเข้าใจผิดคิดว่ารูปนี่สวยงามได้แต่คนส่วนมากนะมันไม่ค่อยเพ่งวีลาลายละเอียดของร่างกายอันนี้ พิจารณาลูกๆไปมันไม่เห็นละเอียดละออมันก็ไม่เบื่อไม่นายดังนั้นพระพุเทธเจ้าจึงทรงสแสดงอาการสามสิบสองนี้ไว้ให้พุทธบริษัททั้งหลายท่องจำเอาให้ได้แล้วก็มานั่งภาวนาเพ่งแจกแกงอาการสามสิบสองนี้ออกไปดู เส้นธาตุดินอย่างนี้ก็ลองเกแี ก, กงออกไปดูสิผมขนเล็บฟันหนังเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกม้ามหัวใจตับผังผืดไตปอดไส้ใหญ่ใส่น้อยอาหารใหม่อาหารเก่ามูนี้นะ มันสวยงามตรงไหนอะ่ะผมอย่างนี้นะถ้าหากว่าเกิดเหงื่อใครออกมาอย่างนี่มันก็มาติดเกิดกังอยู่ที่ผมนี่ถ้าไม่ล้างไม่ชำระกันแล้วก็ส่งกลิ่นเหม็นออกมาที่มันมันไม่ส่งกลิ่นเหม็นออกมาเนั้นก็เพราะว่าตรง สะสางต้องชำระล้างกันอยู่เกือบทุวันทุกวัน ừ, พวกที่ไว้ผมยาวนั่นะพวกที่ไว้ผมสั้นก็ต้องอาบน้ำต้องถูสบูอยู่ทุกวันอย่างนี้ก็จึงไม่มีจึงไม่ส่งกลิ่นเหม็นออกไปผมนี่นะขนบูนี้มันก็เหมือนกันเลย ถ้าปล่อยให้เหงือใครมันติดเกิดกลางเข้าไปแล้วก็ทรงกริ้นเหม็นเล็บมือนี่เล็บมือเล็บเท้ามือนี่ถ้าปล่อยไว้มันยาวออกมาแล้วก็มีอะไรไปติดเข้าไปไว้ที่เรียกว่าขี้เล็บนั่นน่ะ่นนี่ถ้าหากว่าไม่ตัดเล็บเข้าไป ของโสโครกอะไรเข้าไปติดอยู่เลยนั้นก็ส่งกลิ่นเหม็นอีกแล้วอืมฟันนี่ยิ่งแล้วเลยถ้าไม่ล้างปากไม่จิ้มฟันไม่ชาระอาเศษอาหารที่มันติดอยู่ตามช่องฟันหมดนะั้นมันมีจะส่งกลิ่นเหม็นออกมาเลยนะบางคนนะไม่ทําความสะอาดฟัน พูดอะไรกับใครอยู่ที่ไหนกลิ่นปากฉุนพุ่งออกไปใส่จมูกผู้อื่นเนะทำให้ผู้อื่นเบืออหน้าหนีอย่างนี้ก็ไม่รู้ตัวยังขขินปล่อยให้ฟันสกปรกอยู่อย่างนั้นเนี่ย <c oughs> บางคนก็ฟันผุฟันเป็นแมง ฟันมีโรคอย่างว่านั่นแหละแมงกินฟันมันเนา่าส่งกลิ่นเหม็นออกมาอยู่อย่างนั้นอันนู้นนี่นะมันต้องคิดดูมีอะไรที่ไหนสะอาดธาตุดินก็ดีหนังก็เหมือนกันหนังนี่มันก็อย่างว่านัน เงือกไขไหลออกมาแล้วถ้ า, าว่าไม่อาบน้ำไม่ชำระแล้วก็ส่งกลิ่นเหม็นเหมือนกัน <c oughs> <c oughs> เนื้อเอ็นกระดูกอะไรพวกนั้นถ้าหากว่าลอกหนังออกไปแล้วลอกหนังออกไปเฉือนเนื้อออกไปก็ยังเหลืออยู่แต่เอน็นยึดกระดูกนั่นไว โมนี่มันมันก็ไม่น่าดูน่าชมอะไรเลยอะอยมีแต่แต่จะเน่าจาเปื่อยแล้วส่งกลิ่นเหม็นออกไปเท่านั้นเองร่างกายอันนี้ก็ต้องเพ่งแยกแยะ ก, ก, กันออกดูทำไมมันจึงหลงรักหลงชอบใจนักหนามันสวยงามตรงไหน รูปร่างกายอันนี้นะจะตั้งใจนั่งภาวนาแล้วก็เพ่งดูแยกแยกออกดูด้วยด้วยอุบายนัน่นนะเพะืมเพราะว่าเมื่อเมื่อเราตั้งใจมั่นลงไปได้แล้วอย่างนี้เราเพ่งอย่างไรก็เห็นเป็นอย่างนั้นไปนะเห็นเป็นภาพไป อย่าว่านึกเพ่งถึงว่ามันไม่สะอาดอย่างนี้มันก็ภาพอันไม่สะอาดนะไหนมันจะปรากฏในใจนเป็นอย่างั้นถ้าใจไม่ตั้งมั่นแล้วมันจะไม่เห็นนะก <c oughs> ็ต้องเพ่งพิจารณาดูบ่อยๆไม่ใช่ว่าพิจารณาครั้งเดียวแล้วมันแล้วไปเลยมันยังไม่แล้วหรอก เพราะว่ากิเลสมันยังไม่หมดยังละความยึดความถือไม่ได้โดยเด็ดขาดพิจารณาบางทีมันก็เบื่อแต่มันเบื่อไปได้ชั่วคราวหนึ่งทันเผลอๆมันก็กลับชอบขึ้นมาอีกอย่างนี้มันไม่ทันถึงกับว่าได้คลายความยึดความถือออกไปให้เด็ดขาดออกไปได้ก่อน มันเพียงแต่คลายไปได้ชั่วคราวหนึ่งแล้วเผลอๆมันก็กลับมาชอบอีกอย่างนี้ดังนั้นแหละจาเป็นต้องพิจารณาบ่อยๆทีเดียวให้ความรู้ความเห็นเหล่า น, นี้มันปรากฏติดต่อกันไปเรื่อยๆเมื่อพิจารณาบ่อยๆอย่างนี้ความรู้ความเห็นอล่า น, นี้มันก็เจมแจ้งขึ้นไปเรื่อยๆ มันเป็นอย่างนั้นเหมือนอย่างบุคคลขัดกระจกเงาหมู่นี้หละเมื่อมันขัดบ่อยๆเข้าไปกระจกก็ใสเป็นปกติอยู่นั่น hmm. ถ้าปล่อยไว้นานๆเดียวอะไรต่ออะไรมาจับเข้ากับมัวเข้าไปแหละ hmm. เบ่นงนั้น ใจของคนเราที่ยังละกิเลสไม่หมดนี่มันก็เป็นอย่างนั้นเนี่ยอันพิจารณาหรือว่าภาวนาเพ่งเข้าไปกิเลสมันสงบตัวลงใจกระผองใสไปพักหนึ่งอย่างนี้แหละฮันไปไปเกิดความประมาทเผลอเลิเร้อเข้าอ้าวใจมันหลงไปสร้างกิเลสขึ้นมา เมื่อสร้างความรักความชังความหลงขึ้นมาเอาใจก็มัวหมองลองนี่นหะเมื่อใจมัวหมองแล้วก็ไม่รู้ความจริงอะไรเป็นอย่างนั้นคิดอะไรก็ไม่ค่อยออกแล้วดังนั้นน่ะ <c oughs> ท่านยังสอนให้แยกแยะอัตภาพร่างกายนี้ออกไป ให้มันเกิดเป็นอุกขาหนะนิมิตขึ้นมาแปลว่านิมิตติดตาเช่นเราหลับตาอยู่เนี่ยเรานึกถึงผมอย่างนี้นะก็ให้เห็นลักษณะอาการของผมอะสีมันดำอย่างไรมันมีลักษณะเส้นมันเป็นอย่างไรอย่านี้ก็ให้ก็ให้มันเห็นด้วยตาในตาใจนุ่น ผนก็ดีเล็บเล็บ ก, ก็ดีลักษณะของเล็บอย่างนี้นะมันเป็นอย่างไรอ่ะแล้วก็ต้องเพ่งดูมันจะเห็นลักษณะอาการของเล็บนั่นตามสภาพเดิมของมันนั่นแหละแม้หลับตาอยู่ก็าตามแต่ขอให้ใจตั้งมั่นลงไปมันย่อมเห็นภาพ แห่งอวัอวยวะร่างกายน้อยใหญ่ต่างๆหมูนีได้เป็นอย่างดีเมื่อเราเพ่งเห็นอวัยวะต่างๆหมูนีได้แจ่มชัดตรงไปแล้อย่างนี้มันก็ลงความเห็นเอาว่ารูปร่างกายอันนี้ไม่มีอะไรสวยงามนะนี่บทสรุปลงเ่ะอันะ ไม่มีอะไรสวยงามจริงๆอะไอ้ที่มันหลงสำคัญว่าสวยว่างามนั่นมันหลงตั้งแต่ผิวนอกนี่ทางห่างนะหลงที่เขาประดับประดาตกแต่งเข้าไปเอาอั น, นโน้นมาตกแต่งเข้าไปบ้างอันนี้มาตกแต่งผ้านุ่งผ้าห่มสีหลากหลาย สีแดงบ้างสีขาวบ้างสีเขียวบ้างอะไรเข้าไปแล้วหลอกตาลวงใจของคนผู้หลงผู้เมาว่าสวยว่างามอย่างนี้แหละมันหลงจะผิวนอกนี่ต่างหา่างนี่คนเรานี่ถ้าเพ่งพิจารณาดูข้างนอกนี่ให้มันเห็นชัด ตามเป็นจริงแล้วนี่ข้างในนั่นไม่ไม่มีความหมายอะไรอ่ะอเหตุดังนั้นคุณระบุรผู้ที่จะมาขอบวชพระพุทธเจ้าจึงวางระเบียบไว้ว่าให้อุปชาอาจารย์ผู้จะบวชคุณระบุรนั้นเวลาโคลนผมแนะนำให้คุณระบุดนั้น ทิจารณากรรมฐานห้าคือผมขนเล็บฟันหนังเนี่ยเป็นอารมณ์ให้เห็นว่าเป็นของไม่เที่ยงไม่สวยไม่งามเป็นของแตกของดับ <c oughs> กุลบุตรผู้มีอุปนิสัยตั้งแต่ครั้งโวพุทธเจ้านั้นในขณะที่อาจารย์โกลผมให้ อยู่แล้วท่านพิจารณากรรมฐานห้านี่ไปโดยลำดับไปพอโกนผมเสร็จก็สำเร็จอรหันได้มีอยู่แต่ครั้งของพุทธเจ้านะแต่ก็ไม่มากนัก <c oughs> <c oughs> ดังนั้นถึงแม้ว่าการพิจารณา กรรมฐานห้านี่จะไม่สำเร็จอรหันในขณะที่โกนผมเสร็จก็ตามแต่แล้วมันก็เป็นกรรมฐานอันที่ทให้เราได้พิจารณาเป็นประจำเพราะอะไรล่ะก็เพราะมันหลงสำคัญผิดคิดว่าสวยงาม ผิวอย่างนี้นะเห็นผิวขาวๆนวลนๆนนอย่างนี้ก็ชอบใจแล้ว อ, อย่างนี้แหละผิวหนังนั่นนะแท้ที่จริงแล้วมันไม่มีอะไรสวยอะ่ะเพราะว่ามันไม่เที่ยงนี่มันจะสวยได้ยังไงอะผิวขาวนานไปก็กลายเป็นผิวคล้ำไป มันไม่แน่นอนอะไรอย่างนี้เลยแล้วเวลาอยู่นานไปเท่าชฉแลาแกะชะลามาแล้วทุกสิ่งทุกอย่างก็สำรุดสุดโทมไปเปลี่ยนแปลงไปหมดเลยเมื่อก็ต้องพิจารณาให้ให้มันเห็นสภาพเหล่านี้ว่ามันคงที่อยู่หรือว่า มันมันยักย้ายผันแปรไปอยู่เรื่อยไปอย่างนี้นะก็ต้องพิจารณาอย่างนี้เลยเรื่อยไปเมื่อพิจารณาไม่ท้อไม่ถอยนิมิตเหล่านี้มันก็ปรากฏแจ่มแจ้งเข้าไปเรื่อยๆนี่มันก็ เห็นกายลงไปเป็นสภาวะธาตุเพราะเมื่อมันแตกมันทําลายออกจากกันไปแล้วมันก็ไปเป็นธาตุดินธาตุน้ําธาตุไฟธาตุลมอยู่ตามเดิมอะไม่มีสัตว์ไม่มีบุคคลอะไรแล้ววันนี้อืเห็นชัดอย่างนี้มันก็สามารถคลายความรักความใคร่มันก็คลายความหลงสําคัญว่าตัวว่าตนว่าเราว่าเขาลงได้ อดังแสดงมา